รัตะนตะเยปมาเทนะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอปปาราทังขมะตุโนพันเตอาจริเยปมาเทนะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอปปาราทังขมะตุโนพันเตกายกรรมสามวจีกรรมสี่มนโนกรรมสาม ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินในพระรัตนตรยัยในครูบาอาจารย์ด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีจำได้หรือจำไม่ได้ทั้งที่มีเจตนาหรือหาเจตนาไม่ได้ขอพระรัตนตรยัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรม ขัดขวางความเจริญในชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิด